พระธรรมเทศนาเรื่องแม้แต่กรรมก็บรนดาลไม่ได้โดยพระมหาสมปองมุทิโตในสัปดาห์ปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเรื่องในวาระครบรอบแห่งการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการรัสรู้วันที่28พฤษภาคมถึงหนึ่งมิถุนายน พุทธศักราช2555ณโถงอาคารหนึ่งรปีสมเด็จพระศรีนครินทร์โรงพยาบาลสิริดาษนกโมตัสสะภะคะวะโตอังหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อังรหัตตว์สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอังรหัตตว์สัมมาสัมพุทธัสสะอเนกชาติสังสารังสันธาวิสังนิพิสังขะหังรังขเวสันโต ทุกข้าชาติคุณณปุณ น, นทีนิตีขอจเจริญสุขสวัสดีสาวธุชนผู้ใฝ่ในการสแสวงหาความรู้ในหลักธรรมคำสอนทั้งหลายญาติโยมทั้งหลายนับตั้งแต่วันวิสาขบูชา ปี 2,554 เป็นต้นมาจนถึงวันที่4มิถุนายนที่จะถึงนี้ในรอบหนึ่งปีนี้ทั่วโลกเขาประกาศว่าให้เป็นปีสัมพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรสัสรู้ของพระพุทธเจ้าดังนั้น ขณะนี้แม้จะเป็นช่วงปลายปลายปีที่จะเป็นวันสิ้นสุดปีสมพุทธชยันตีในวันที่สี่ที่จะถึงวิธีการนับหลายหลายคนยังไม่เข้าใจวิธีการนับตัวเลขโดยเฉพาะตัวเลขปีตัวเลขปีที่เรานับอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยนับว่าพศ ซึ่งย่อมาจากคําว่าพุทธศักกาชตรงก็มีไม่ตรงก็มีไม่ตรงยังไงตรงอย่างไ ร, ร, งงไรวันนี้จะบอกวิธีนับสักหน่อยหนึ่งพอเป็นแนวทางแห่งการนับให้พวกเราทั้งหลายได้ใช้เป็นวิธีการนับให้ถูกต้องพศออที่เขานับอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ย นับวันป ร, รินิพานของพระพุทธเจ้าเป็นต้นมาก็หมายความว่าตัวเลขที่เรานับในปัจจุบัน255 25พ้าบห้าเนี่ยนับวันปรินิพานของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปรินิพานมาแล้วหนึ่งวันหนึ่งปีร้อปีพันปีสองพปี25งพ ห้าสิบห้าปีนี่นับวันปังรีนิพานนะถ้านับวันประสูติกับนับวันตรสัสสรู้เนี่ยก็จะไม่ตรงกันเอาล่ะมาดูวิธีการนับสมัยใหม่ก่อนพวกเรารู้ดีว่าวันขึ้นต้นสัก ก, กรารโดยเฉพาะพุทธสัก ก, กรารเนี่ยเป็นวันที่หนึ่งมกงราคม ซึ่งวันที่หนึ่งม ก, งกราคมนั้นอนะ่ะไม่ใช่ปีพุทธศักราชนะเป็นคริสต์ศักราชขึ้นปีว่าพศออแต่ไปนับวันตามคริสก็ยังงงกับวิธีการนับอยู่ถ้าจะนับพศออเป็นปีของพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยก็บอกเลยว่าจะนับวันประสูติของพระพุทธเจ้าว่ามาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปี หรือจะนับวันตรสัสสรูของพระพุทธเจ้าว่าผ่านมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีหรือจะนับวันปัีนิพานของพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วกี่วันกี่เดือนกี่ปีต้องนับอย่างนั้นแต่ว่าภาษาที่ใช้บอกว่านับปีพุทธศักราชแต่เป็นนับตามคริสตศักราชนับยังไงยอมรู้ไว้ว่าพระพุทธเจ้าประสูด ตรัสสังรู้และปัรินิพานเนี่ยคือวันเพนเดือนหตรงกันประสูติแล้วส5ส้าปีจึงได้ตรัสสังรู้เป็นพระพุทธเจ้าวันประสูติกับวันตรัสสังรู้ห่างกัน35สปีเมื่อตรัสสังรู้แล้วตอนอายุส5สหถึงวันปัรินิพานแล้วนะห่างกันส5สิห้าปี ตรัสรู้กับปรินิพานผ่านกัน45ปีก็หมายความว่าเอาเลข35ในวันเกิดมาบวกกับ45วันปรินิพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยรวมแล้วก็จะเป็น80ปีเต็มก็หมายความว่าโดยพระชนมายุโดยชาติของพระพุทธเจ้านั้นน่ในปัจจุบันในชาติ มีพระชนมาายุรวมแปดสิบปีเต็มไม่ขาดแม้แต่วันเดียวไม่เกินแม้แต่วันเดียวเพราะประสูตรก็วันเพ็ญเดือนหกปักรีนิพพานก็วันเพ็ญเดือนหกช่วงวันประสูตรถึงวันตังรีนิพพานน่ยแปดสิบปีเต็มแต่การนับคอสอนนั้นน่ะนับจากวันตังรีนิพพานเพราะประมวลมาก็ทําให้เราได้เข้าใจว่าอ๋อ การนับปีพุทธศักราชเนี่ยคือนับว่าพระพุทธเจ้าปั่กรินิพานมาแล้วกี่ปีนั่นเองดังนั้นควรจะนับวันขึ้นต้นปีพุทธศักราชคือวันแรมหนึ่งค่ำเดือนหไม่ใช่วันที่หนึ่งม ก, ก, กราคมถ้านับว่าวันที่หนึ่งม ก, ก, กราคมก็ผิดอยู่นั่นแหละผิดมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ผิดประเทศไทยประเทศเดียวนี่แหละ ประเทศอื่นเขาก็ไม่ผิดตามประเทศศรีลังกาประเทศอินเดียเขานับพุทธศักราชเขาเนี่ยนับวันพระพุทธเจ้าประนิพนิพานว่าเป็นวันสิ้นปีวันครบปีพอขึ้นหนึ่งแรมหนึ่งค่ำเดือนห ก, ก็เป็นวันขึ้นต้นปีใหม่ดังดนั้นประเทศศรีลังกาก็ดีอินเดียก็ดี ปีสัมพุทธชยันตีของเขาเนี่ยจึงเริ่มมาตั้งแต่วันวิสาขะปีที่แล้วและจะมาครบหนึ่งปีวันวิสาขะปีนี้ซึ่งตรงกับวันที่สี่มิถุนายนซึ่งไทยเราก็นับผิดอีกวันเพนเดือนหกเราว่ามาอย่างนั้นแต่วันที่สี่เดือนมวันที่สี่มิถุนายนปีนี้เนี่ยมันเป็นวันเพนเดือนเจ็ดมันไม่เป็นวันเพนเดือนห เดือนก็ไม่ใช่เดือนวิสาขมาศวิสาขมาศผ่านมาแล้วเกือบเดือนแล้วเป็นปีอธิกมาศแปดสองห น, นับไปนับมาหลงเหมือนกันไม่รู้ว่าหลงอยู่ตรงไหนดังนั้นนั่นก็ช่างเถอะเขาเข้าใจโดยสากลแล้วว่าเขานับอย่างนี้ทั้งนั้นแหละหลวงพ่อไม่ต้องไปอะไรเขาหรอกท่องรู้กันทั้งประเทศเขาถือแบบนี้แล้วก็เอาแบบนี้แหละ แต่ว่าจะมาพานับที่มันถูกให้ฟังนะถ้าเราไม่รู้ถูกเราก็จะไม่รู้ว่าไอ้ที่นับมานะ่ะมันผิดดังนั้นมารู้ซะหน่อยว่าถูกเป็นอย่างไรถ้าเรานั่งอยู่วันนี้เนี่ยมันเป็นวันเพนเดือนวิสาขามาส ก, ก็คือวันครบรอบปีครบรอบปีที่พระพุทธเจ้าประสูติมาแล้ว 2,635 ปี สองหสาห้าอย่าไปซื้อหวยนะไม่ได้บอกหวยนะโอ้ยวันนี้โชคดีแล้วได้มาฟังหลวงพ่อบอกหวยไม่ใชนะ่ประสูตรมาแล้วสอง5สหปีอีกส5สห้าปีตรัสรู้เอาลบออกส5ห้าก็จะเป็นตัวเลขสองพันกรปีพระพุทธเจ้า ตรัสรู้มาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อ 2,600 ปีที่แล้วถึงวันเพ็ญเดือนหคือวันเต็มครบ 2,600 พอดีพอดีแต่พอศปีนี้ทำไมเป็น 2,555 ทำไมไม่เป็น 2,652,635 ทำไมไม่เป็น 2,600 พอดีพอดี ท้ามันเป็น 2,555 เพราะนับวันปัินิภาน 2,600 นั่นแหละลบออก45ปีข้าพุทธเจ้าตรสัสรู้แล้วถึงวันปรินิภานเนี่ยประกาศพระศาสนาอยู่ 45,000 สาดังนั้นจึงนับวันปัินิภานล่วงแล้วมา 2,555 ปี มีเลขสามชุดนะสามชุดนะนะฟังให้ดีนะชุดที่หนึ่งหคือพระพุทธเจ้าตรสัสรู้ผ่านมาแล้วชุดที่สอง0 0คือวันตรสัสรู้ชุดที่ส 2,555 สบหคือวันพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปันธรินิพาน เอาลทีนี้มาดูวันนี้เป็นวันที่31เดือนพฤษภาคมนับจากวันนี้ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นวัน10ค่ำไอ้เป็นวัน11ค่ำนั่ น, นเนี่ยเป็นวันขึ้น11ค่ำเ ด, เดือน7ปีมังกรงเดือน7 ด, ด้วยนะเพราะว่าวันเดือนปีนี้ไม่เป็นเดือน6ซะแล้วเป็นเดือน7 เพราะว่ามีแปดสองหนเลื่อนมาเลื่อนไปมาตรงกับวันเพ็ญเดือนเจ็ดทีนี้เราทราบแล้วว่าประสูติตรัสสังรู้และปัณีนิพพานเนี่ยตรงกับวันเพ็ญเดือนหกเหมือนกันเพราะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่มากสาประชาชาติก็ดียูเนสโกก็ดีจึงได้ประกาศยอมรับว่า วันเพนเดือนหกของชาวพุทธนั้นน่ะประกาศให้เป็นวันวิสาขาบูชาโลกโลกเนี่ย น, นะไม่ใช่ประเทศไทยไม่ใช่ประเทศนับถือพระพุทธศาสนาเท่านั้นนะมีเหตุผลมากมายหลายประการเช่นพระศาสนาคริสคริสต์ศาสนาเกิดที่หลังพระพุทธศาสนาส4 5อสสิบห้าปี าศาสนาอิสลามก็เกิดหลังจากพุทธศาสนาเจ0ดร้อยกว่าปีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามีหลักฐานยืนยันทั้งคำพีทั้งสถานที่จริงส่วนของพระเยซูเจ้ากับพระเจ้าในาศาสนาอิสลามพระอัลลอ์อันลานั้นน่ะกับไม่มีหลักฐานยืนยันที่เป็นตัวตนที่แท้จริง เพราะเหตุมูลความจริงยืนยันรับรองได้แม้จะล่วงการมาสองพันกว่าปีมีหลักฐานยืนยันไม่เคยมีประวัติชีวประวัติของศาสดาใดละเอียดเท่ากับชีวประวัติของพระพุทธเจ้าจึงได้ประกาศยอมรับวันที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัรสรู้ ปังรีนิพานซึ่งตรงกับวันเพ็ญวิสาขานะนะั้นน่ะให้เป็นวันเพ็ญวิสาขาโลกซึ่งวันวิสาขาโลกต่อจากนี้ไปจะมีทุกทุกปีวิสาขาปีไหนก็ต้องเป็นวิสาขาโลกปีนั้นแต่เรื่องในระหว่างวันพระพุทธเจ้าประสูตินั้นเรียกว่าวันสมภพวันสมภพถ้าของพระราชาพระพัราชจะสมภพ เขาะของพระพุทธเจ้าเขาพุทธสมภพครบรอบวันเกิดวันปัณานิพพานนั่นก็เป็นเรียกว่าวันปริานิพพานแต่วันตรัสสงรู้ซึ่งอยู่ระหว่างกลางวันเกิดกับวันปริณานิพพานของพระพุทธเจ้านั้นน่ะในโลกเขางเรียกว่าวันสัมพุทธชยันตีหรือเอาสัมออกก็ได้เรียกว่าวันพุทธชยันตี ซึ่งวันพุทธชยันตีหรือสัมพุทธชยันตีนี้เนี่ยมีความหมายว่าอย่างนี้ฟังดูนะยงไปเดินชมนิทัศการมาแล้วหลายๆภาพเป็นภาพถ่ายจากสถานที่จริงว่าสถานที่ที่มีรูปอย่างนี้เป็นสถานที่ประสูตย์ของพระพุทธเจ้ามีรูปอย่างนี้เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรสัสรู้อนุตัตงระสัมมาสัมโพธิญาณมีพระพุทธเมตตา มองแล้วก็ทำให้เอิบอิ่มเบิกบานใจมีความสุขใจเหมือนเวลาเราได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้ามีรูปที่พระเจ้าแสดงทำในที่ต่างๆเรื่องราวปรากฏมีรูปที่เป็นสถานที่เสด็จดับขันทัพปรินิพานแลวก็มีรูปที่นักเขียนผู้มีฝีมือประณีตได้พยายามวาด ตามเนื้อหาเรื่องราวที่มีมาในคัมภีร์ต่างๆให้พวกเราได้ชมทีนี้มาดูว่าคำว่าพุทธชยันตีเนี่ยแยกออกมาซิว่าพุทธยอมจำไว้นะยอมอยัไม่รู้จักพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระพุทธเจ้ามีความหมายอยู่สองอย่างเอาใหญ่ๆเพราะชื่อพระพุทธเจ้านะั้นมีความหมายเป็นพันๆ แต่ทั้งหมดและส่รุบย่อแล้วมีความหมายสองอย่างใครมีความหมายสองอย่างนี้ให้เรียกคนนั้นว่าพระพุทธเจ้าหนึ่งตรัสรู้เองโดยชอบตรัสสังรู้ชอบด้วยพระองค์เองและแต่งเราจะแปลโวหารไหนตรัสรู้เองโดยชอบก็ได้ตรัสสงรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองก็ได้ใครได้ตรัสรู้เอง ให้เรียกว่าพระพุทธเจ้าเลยแต่เท่านี้ยังไม่ครบถ้วนอย่างที่สองสอนผู้อื่นให้ตรั ส, สรู้ตามด้วยชัดไหมทีเนี้ยบุคคลใดบุคคลหนึ่งในโลกนี้ตรั ส, สรู้เองและสอนผู้อื่นให้ตรั ส, สรู้ตามเรียกว่าสมพุทธะหรือสมมาสมพุทธะ หรือเรียกสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าอาแล้วคําว่าชายันตีละแปลว่าอะไรชยันตีเนี่ยชยันตีเป็นคําคุณศัพท์แปลว่าตรัสรู้แปลว่าชนะมารหรือแปลว่าชัยชนะของพระพุทธเจ้า โยมคนไหนเคยสวดคาถาพุทธชยมังคลคาถาบางเอาโอ้อะไรนาะพุทธชยมังคละคาถ า, า, า, ไ, ม า, ถาไม่เคยได้ยินชื่อพาหงรู้จักไม่พาหงเนะี่ยอ๋อสวดพาหงได้ลองสวดพาหงพร้อมกันที่สวดว่ายัางไง พาหุงสหสมาพินิมมิตสาวุธานตังคลีแมฆังกรังอุทิตโคงราสเสนมังกรังทานาทีิทามาวิธินาชิตาวามุนินโทวานชะสาภาตุเตชะยมังคลานี นี่คือชัยชนะครั้งแรกที่เป็นชัยชนะขาดคำว่าชัยชนะขาดคือชัยชนะที่ไม่กลับมาแพ้อีกเลยถ้าอย่างพวกเรานะไม่พอใจใครไปต่อว่าเขาไปดุไปด่าเขาเขายอมแพ้หนีไปเราก็ก็ยิมในใจว่าเราชนะแต่ยังไม่ชนะขาดนะ เมื่ อ, อไรเขาฮึดขึ้นมามาด่าคืนได้นะแพ้ได้อีกแต่ชัยชนะของพระพุทธเจ้าเมื่อชนะแล้วจะไม่กลับมาแพ้อีกเลยแต่วันนี้เรื่องที่จะดำเนินให้พวกเราได้เข้าถึงความเป็นพระพุทธเจ้าในวันสัมพุทธชยันตีซึ่งรวมกันว่าวันที่พระพุทธเจ้าตรัสสังรู้และสอนผู้อื่นให้ตรัสสังรู้ตาม วันตรัสสังรู้เองกับวันสอนผู้อื่นให้ตรัสสังรู้ตามเนี่ยห่างกันสองเดือนสอนผู้อื่นให้รู้ตามเนี่ยตอนไหนตอนแสดงธรรมโปรดภิกษุปันจวคีมีผู้เข้าถึงธรรมครั้งแรกห่างกันสองเดือนวันตรัสสังรู้วันเพนเดือนหกวันแสดงธรรมให้คนอื่นรู้ตามวันเพนเดือนแ ห่านกันสองเดือนปีเดียวกันดังนั้นนับว่า 2,600 ปีเนี่ยจึงได้ความหมายของคาว่าพุทธชยันตีเนี่ยครบถ้วนมากวันที่พระพุทธเจ้าตรัสสังรู้และสอนผู้อื่นให้ตรัสสังรู้ตามซึ่งคำอย่างนี้ไม่ใช่เพิ่งจะมีขึ้นในวันตรั ส, สงรู้ของพระพุทธเจ้านะ แม้แต่วันที่พระบุตรเจ้าของเราได้บําเพ็ญบารมีแก่กล้าถึงขนาดเป็นมโนปณิธานคําว่าปณิธานแต่ว่าตั้งไว้ในใจจะไม่เลิกจะไม่ล้มจะไม่ล ะ, จ ะ, ละจะไม่เปลี่ยนใจเมื่อยังไม่สําเร็จแต่ไม่พูดไม่ทําให้ใครเห็นตั้งอยู่ในใจลึกๆหลายคนตั้งใจลึกๆเอาไว้ว่าจะทําอันนั้นว่าจะทําอันนี้ ด้วงมาหลายวันหลายเดือนหลายปีวันแล้ววันเล่าเราไม่เคยทําอะไรให้สําเร็จเอาละต่อไปเราจะทําอย่างนี้ให้สำเร็จอย่างนี้เขาเรียกว่ามโนปณิธานตั้งไว้ในใจอย่างเด็ดเดี่ย ว, แ น, วแน่วแน่ซึ่งพระพุทธเจ้าตั้งมโนปณิธานแบบเนี้มีให้เราได้ยินอยู่บ่อยๆแม้แต่ในดิทัศการตรงนั้นก็มีอย่างเช่นวันจะตรัสรู้ตั้งมโนปณิธานเพื่อยืนยัน ความตั้งใจที่เคยตั้งเอาไว้เมื่อก่อนสีอสงไขยแสนมหากับเป็นต้นมาก่อนนั้นอีกตั้งอะไรไว้ตั้งเอาไว้ว่าถ้าเราตรัสรู้แล้วจะสอนผู้อื่นให้ตรัสรู้ด้วยเราข้ามได้แล้วจะช่วยผู้อื่นให้ข้ามได้ด้วยเมื่อเราหลุดพ้นจากบ่วงทั้งเป็นของโลกียะทั้งของโลกุตตระทั้งของเป็นทิพย์ได้แล้วจะช่วยผู้อื่นให้หลุดจากบ่วงด้วย ตั้งใจไว้อย่างนี้ยก่อนจะบำเพ็ญบารมีก่อนจะได้รับพยากรณอีกนะแล้วเคยมาเปล่งวาจาให้คนอื่นได้ยินตั้งใจซะจนอัดแน่นไว้ในใจอดไม่ไหวต้องเปลยเปลยให้คนใกล้ชิดฟังว่าเราตั้งใจว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้เป็นวาจีปณิธานต่อมาก็ลงมือบำเพ็ญบารมีตลอดสี่สมไขแสนมหากับเป็นกายปณิธาน ทุกๆกภทุกๆชาติที่เกิดลวนเป็นไปเพื่อบำเพ็ญบารมีให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทางเดียวเท่านั้นดังนั้นเมื่อถึงวันกลัดสรู้จริงจึงได้นั่งคูบันหลังใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เห็นไหมอยู่ข้างหลังเนี่ยต้นอะไรเนี่ยบางคนยังไม่รู้ว่าต้นอะไรเนี่ยต้นต้นอะไรเนี่ยใครตอบได้ข้างหลังต้นอะไร ต้นพระสีมีพระสีด้วยนะพระสีมหาโพนี่คำว่าพระเป็นราชาศัพท์คําว่าสีแปลว่ามีสิงห์รมงคลประเสริฐเลอเลอิศยิ่งใหญ่คําว่าโพเป็นสถานที่ตรสัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เลยเรียกเต็มๆว่าต้นพระสีมหาโพต้นพระสีมหาโพ พุทเจ้านั่งขัดสมาธิคูบันลังตั้งสตยาบันไว้ในใจเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ถึงขนาดว่าแม้เลือดและเนื้อจะเหือดแห้งไปเลือเต็นหนังและเอ็นหุ้มกระดูกอยู่ก็ตามเถิดหากยังไม่ได้บรรลุอนุตตังระสัมมาสัมโพธิญาณจะไม่ลุกจากที่นั่งนี้อย่างเด็ดขาด โอ้เด็ดเดี่ยวมากเลยนะสมจริงกับที่ปณิธานนักกายวาจาใจที่ได้สั่งสมมายิ่งใหญ่กว่าสี่อสงไขยแสนมหากับยิ่งใหญ่มากดังนั้นการตรัสสรู้ของพระบุทิเจ้าในวันนั้นจึงเล่าไว้ว่าเป็นวันสัมพุทธชยันตินับจากนี้ไปเหลืออีกกี่วันวันเพนวิสาขาจะมาถึงเนี่ยกี่วัน สมมติว่าเป็นวันที่สเพราะไม่รู้ขั้งขึ้นข้างแรมใช่ไหแล้วก็เอาวันที่สมิถุนายนวันนี้วันที่สามสิบเอพฤษภาคมก็เหลืออีกสี่วันจะถึงวันที่สวันที่สี่เนี่ยเป็นวันสัมพุทธชยันตีกลับไปบ้านเผื่อลูกหลานคุณย่าคุณยายถามครับว่าพุทธชยันตีสัมพุทธชยันตีเนี่ย มันแปลว่าอะไรบอกเข้าไปเลยแปลว่าการตรัสสังรู้ของพระบุทรเจ้าหรือว่าเป็นวันที่พระบุตรเจ้าตรัสสังรู้หรือเป็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระบุทรเจ้าหรือเป็นวันที่พระบุทรเจ้าชนะมารห้าประการชนะพยามารก็พอได้ยิน ชนะขันธมารก็พอได้ยินชนะกิเลสมารก็พอได้ยินแต่ที่จะไม่ค่อยได้ยินก็คือชนะอภิสังขางรรมารชนะมัจจุมารเอาไม่ค่อยได้ยินมาร์ห้าเถวบุตรมารกิเลสมารอภิสังขางรรมารขันธมารและมัจจุมาร พระพุทธเจ้าชนะมารตั้งห้ามารเพราะในโลกนี้มีมารอยู่เพียงห้าเท่านั้นไม่มีมารหัวขนนะมีห้ามารนี้เท่านั้นชนะได้หมดทุกมารตั้งแต่วันตรัสสังครุเป็นต้นมาทุกๆุกมารจะไม่กลับมาแพ้ต่อมารอีกเลยยกตัวอย่างตรัสรู้แล้วสัปดาห์ที่ห้าก็คือ หนึ่งเดือนกับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปทิดาพญามารสามนางซึ่งสวยงามยิ่งกว่าหญิงใดในโลกเพราะเป็นทิดาของพญามานบนสวรรคติโลกสวรรค์ชั้นที่หกมาทดลองพระพุทธเจ้าดูว่าตรัสสังรู้แล้วเนี่ยใจยังจะวอกแวกในสตรีเพศอยู่ไหม สวยเลอเลิศขนาดไหนก็ช่งางมาร้องเพลงไร้รำวาบหวามต่อหน้าพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าก็เพิกเฉยเพราะเวลานั้นเสวยวิมุตติสุขในใจไม่มีอะไรมีแต่จิตที่หลุดพ้นมีแต่เอาความหลุดพ้นลำดับการตรัสรู้ว่าลตรัสรูม้มาขั้นตอนการตรัสรู้ผ่านมายางไรอย่างไรอย่างไร มาใคร่ครวนอยู่อย่างนั้นเนืองเนืองใส่ใจกับสภาพที่ได้ตรสัสสงรู้มาจึงไม่ได้สนใจกับสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นรอบข้างเลยนี่ก็อย่างหนึ่งเอาล่ะทีนี้มาดูญาติโยมทั้งหลายวันนี้นำหัวข้อทำประการหนึ่งมาเล่าให้ฟังก็คือกรรม บางทีเขาก็บอกว่าเทพเจ้าดนบันดาลเช่นสาธุเจ้าพระคุณเอ้ยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั่วสากลลโลกจงมาบดบันดาลให้ข้าพเจ้าร่ํารวยเงินทองด้วยเถิดจงมาบดบันดาลให้คนนั้นคนนี้มีความสุขให้พ่อแม่กูย่าใจข้าพเจ้าหายโรคหายภัยได้วยเถิดนี่มีพระรูปนะยมมีพระรูปอยู่เนี่ยยอมสังเกตเห็นไว้พระรูปที่อยู่ที่สนามเนี่ย ญาติญาติของผู้ป่วยจะนำพวงมาลัยช่อดอกไม้ชนิดต่างๆมากราบไหว้พันรูปขอพรให้ดลบรรดาลให้พ่อแม่หรือใครก็ตามคนที่เรารักกำลังเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยให้หายวันหายคืนเอาแบบนั้นเลยนะแบบหายวันหายคืนไม่ต้องรอนานนะเนี่ยคิดว่า บุคคนใดบุคคนหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีพลังที่มีพลานุภาพที่มีอานุภาพมีเดชมีกริชเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะสามารถดลบรรดาลให้ด้วยเหตุแห่งคำอ้อนวอนเท่านั้นบางทีอ้อนวอนก็อ้อนวอนน้าสงสารโปรดช่วยลูกช้างลูกมา้าด้วยเถิด ถ้าสมมติว่าลูกช้างลูกม้าตกบ่อกับลูกคนตกบ่อเทวดาจะช่วยใครก่อนเอาก็ต้องช่วยลูกคนนี่แหละก่อนนะไม่ต้องลดตัวลงไปเป็นลูกช้างลูกม้าเดี๋ยวก็จะลดลความสำคัญไปแทนที่จะสำคัญน่าจะช่วยอยู่เพราะบอกเป็นลูกช้างลูกม้าเอาเทวดาเลยไม่อยากช่วยเลยทีเนี้ยไม่ต้องลดไปเป็นลูกช้างลูกม้านะอย่างแต่ว่าเป็นโวหารที่เรียกร้องความ น่าสงสารเห็นใจเวทนาแสนสาหัสถ้าไม่ช่วยแล้วก็ไม่รู้จะไปพึ่งพาที่ไหนได้แล้วลืมไปว่าเรามีเครื่องพึ่งพาได้อยู่ถ้าเทียบกับสิ่งที่เราสามารถทำเครื่องป้องกันเครื่องเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวที่เราสามารถทำได้เพียงอึดใจเดียว กลับไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆเพื่อจะมาช่วย เ, เราเนี่ยนะลองเปรียบเทียบให้ดูว่าอันไหนจะสำเริจผลได้เร็วกว่ากันตอนนี้ัเราคิดว่าเราไม่มีพลังใช่ไหมเราไม่มีพลานุภาพเราไม่ศักดิ์สิทธิ์ใช่เอาหล่ะพอพูดถึงคาว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะมารู้จักสหน่อยเถอะคาเนี้ย เปิดพจนานุกรมราชบัณฑิตศักดิ์แปลว่าอะไรแปลว่าสิ่งที่สำเร็จได้ด้วยอนุภาพของสิ่งที่มีอนุภาพทั้งหลายทั้งปวงสักเป็นภาษาบาลีสันสกฤตบาลีเขียนว่าสัตติสันสกฤตเขียนว่าสักติบาลีสะกดด้วยตอเต่าแล้วก็ติสันสกฤตสะกดด้วยกอไก่แล้วก็ติ แต่ออกเสียงว่าสักติและสติซึ่งแปลว่าความสามารถของสิ่งนั้นๆความสามารถของสิ่งนั้นๆคำว่าสิ่งนั้นๆมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามเรียกว่าสิ่งนั้นๆหมดนะต่อมาดูคำว่าสิทธิ์สิทธิ์ถ้าเอาไม้การรันออก เขาก็จะออกเสียงว่าสิทธิแปลว่าความสำเร็จเอาศักกับสิท ธ, ธ์มาบวกกันเข้าแปลว่าสำเร็จได้ด้วยความสามารถพอเราเองไม่มีความสามารถจะทำให้สำเร็จได้เราจึงไปอ้างอิงเอาสิ่งอื่นที่จะมีความสามารถให้เราสำเร็จได้ก็เลยเป็นอย่างนั้น ก็เลยเรียกว่าศักดิษิ์ไปสักศิษย์มาอ้างหาแต่สิ่งศักศิษย์ศักศิทธิ์อันเดียวไม่รู้จะช่วยได้ไม่เอาทั่วสากลโลกเลยแล้วกันอย่างนี้เป็นต้นทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเราลืมเรื่องเรื่องหนึ่งซึ่งเราเองก็มีความสามารถยิ่งกว่าสิ่งที่เราไปอ้อนวอนอีกเอาละทีนี้ดูนะเรามาพูดดูสิว่าถ้าเราต้องการ ความจเจริญเรามีความสามารถจะทําเหตุให้เกิดความจเจริญไหมเอาจเจริญด้วยอะไรดีเอาเอาสิ่งที่เราต้องการเห็นนะจเจริญด้วยลาบลาบก็คือสิ่งที่ได้มาสมควรแก่เหตุผลถ้านไหนได้มาไม่สมควรแก่เหตุผลเขาต้องเรียกว่าโลก ได้มาสมควรแก่เหตุแก่ผลก็เรียกว่าลาบบางทีลาบเนี่ยได้ด้วยเป็นลาบเฉยๆบางทีลาบนี่นเกาตีค่าสูงส่งว่าเป็นสักกา ร, ระดูสินี่พระพุทธเจ้ายมเคยมีใครแต่งช่อดอกไม้อย่างนี้มามอบให้บ้างไหมอาจจะมีวันเกิด เพื่อนๆ อ, อาจจะทำแจกกันดอกไม้สวยๆมาให้อาวยพรกำเนิด Happy Birthday แต่นั่นคือลาบไม่ใช่ไม่ใช่ส ก, กา ร, ระแต่เมื่อไหร่ลูกๆระลึกขึ้นมาได้ว่าพ่อแม่มีคนยิ่งใหญ่ครูอาจารย์มีคนยิ่งใหญ่พุทธศาสนิกชนระลึกได้ว่าองค์พระพุทธเจ้าเนี่ยมีคนยิ่งใหญ่เราจึงนำลาบ ที่ตีค่าว่าสักกา ร, ระให้สำคัญยิ่งใหญ่เพราะสักกา ร, ระคือเครื่องที่เรามอบให้ด้วยการระลึกถึงคุณอันยิ่งใหญ่บางคนจึงได้ลาบบางคนได้แต่สักกา ร, ระไม่ได้ลาบบางคนได้ทั้งลาบและสั ก, กา ร, ระอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ย ลาบก็คือปัจจัยสี่ที่ใช้สอยได้สักกา ร, ระคืออื่นๆจากไปปัจจัยสี่ใช้สอยได้ไม่เป็นประเภทเครื่องบริโภคถ้านำข้าวพุธมาตั้งไว้หรือพวกเราไปเขาก็ต้อนรับปฏิสันถานด้วยข้าวปลาอาหารอันนี้เรียกว่าลาบแต่ถ้าเขากกไม่ได้อู้อันนี้เนี่ย เคยมีบุญคุณเอาให้อันนี้เป็นเครื่องตอบแทนอันนี้เขาเรียกว่าสักกา ร, กระนะนั่นก็แสดงว่าใครเคยได้ลาบใครเคยได้สักกา ร, กระหรือเขาส่งข่าวมาว่าจะเอาลาบและสักกา ร, กระมามอบให้เพราะบุคคลนั้นมีอานุภาพมีอะไรเป็นอานุภาพมีการ อุปกา ร, กระเป็นอนุภาพเขาจะนึกถึงอุปกา ร, กระก็เลยส่งนั่นส่งนี่มาเป็นของขวัญเป็นเครื่องตอบแทนเป็นเครื่องสักกา ร, กระปฏิกา ร, กระเขาเรียกว่าคนที่อุปกา ร, กระคนมีอนุภาพได้ทั้งลาบและสักกา ร, กระเอาละทีนี้มาดูพ่อแม่อุปกา ร, กระลูกลูกก็นึกถึงอุปกา ร, กระเวลาเจ็บไข้ได้ป่วย เขาก็มาตอบแทนรู้ไหมว่าพ่อแม่ที่ป่วยเนี่ยนะถ้าลูกเก้าคนถือดอกไม้มาคนละพวงแล้วก็ไปบวงสรวงเทพเจ้าบวงสรวงบุรพะอะไรและแต่มากมายตั้งแต่ต้นตระกูลหรือสิ่งใดใดที่คิดว่ามีอนุภาพที่สุดเนี่ย ไปเลยกระจายกันไปคนนี้ไปจังหวัดนู้นไหวพระเชียงใหม่คนนี้ไปจังหวัดนูน้ไ น, นไห ว, ว, ไวพระชะเชิงเซาคนนี้ไปนูน้นไหวพระวัดไร่ขิงคนนี้ไปไหวพระดังๆังเจ็ด 7, วัดเก้าวัดเอาลูกเก้าคนไปกันเลยไปอ้อนวอนแล้วก็มาบอกแม่ว่าไปได้อ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยแม่ให้หายกับลูกทั้งเก้าคนมาลุมคนหนึ่งนวดมือคนหนึ่งนวดเท้าคนหนึ่งคอยปลอบกระโลมคนหนึ่ง พยายามพูดให้ใจเย็นเพื่อให้วางใจไม่ทอดไม่ทิ้งคนหนึ่งมาเท้าความถึงความหลังแม่เคยสอนลูกอย่างกัรนทุงวันลูกยังไม่ลืมคิดว่าอย่างไหนมันคืออนุภาพคิดว่าพ่อแม่จะได้รับอนุภาพหายป่วยนะภายในวันคืนเนี่ยด้วยการกระทำอันไหนเนาจึงบอกว่าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือความสําเร็จได้ด้วยความสามารถ เราสามารถทำสิ่งใดแล้วมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์ไงลูกมาอยู่ ใ, ใกล้คอยบีบค่อยนวดคอยปลอบประโลมนั่นยิ่งก็ไปไหว้เทพเจ้ามาเก้าวัดเจ็ดวัดอนุภาพเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี้ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เราเองนี่นาโอ๊ยมีหน้าเรามีความสามารถก็เลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับเราดังนั้นเราจะไปทำอะไรกับใครที่ไหนเนี่ยมันจะศักดิ์สิทธิ์หมด่ะ เพราะเรามีความสามารถทางเราไปไหนมาไหนไปแต่อ้อนวอนแต่อ้อนวอนแต่อ้อนวอนอ้อนวอนอย่างไรมันก็ไม่หายพลังใจของคนป่วยมันก็ไม่มีหมอเก่งทั่วฟ้าเมืองไทยมาบอกว่าทหมอคนที่เก่งที่สุดก็ไม่ได้ทําให้แม่ตกใจยิ่งลูกสั่งหมอเก่งมะตะเรยแม่ก็ยิ่งตกใจว่าเราคงจะป่วยหนักแน่แนเลยใช่ไหม แต่ข้าเอาหมอเล็กหมอน้อยมาว่าแค่นี้ก็รักษาได้คนใหญ่เออก็บ่าใจอ่าเราค่อยไม่ป่วยหนัก <c oughs> แต่คนที่เป็นลูกเป็นหลานยีใกล้นั้นคืออนุภาพสูงสุดนะทีนี้มาดูว่าพระพุทธเจ้าของเราเป็นแบบอย่างที่ดีแม้จะได้ตรัสสรู้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีอนุภาพสําหรับคนทั้งโลกก็ยังสามารถช่วยพ่อ ให้บรรลุทำขั้นสูงสุดก่อนสวรรคตยังช่วยแม่แม้แจ่สวรรคตไปแล้วอยู่สวงสวรรค์ก็ตามไปเทศนาสั่งสอนให้ได้บรรลุธรรมถ้าพระพุทธเจ้าไปอ้อนวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นอ้อนวอนพระพรมเป็นต้นให้พ่อที่กาลังป่วยนั่นนะ่ะหายจากอาการป่วยพระเจ้าสุโธธนะจะหายไหมไม่หาย สวรรคตดเหมือนเดิมเพราะในวัยที่สมควรก็สมควรดังนั้นการอาศัยช่วงเวลาไม่นานเลยเข้าไปครุกไปคลีพูดธรรมะให้ฟังให้เข้าใจสามารถยังพระบิดาเนี่ยให้บรรลุธรรมก่อนสวรรค์ขดได้ดังนั้นพระพุตรเจ้าเนี่ยจึงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้มีอนุภาพทำให้เรารู้โอ๋อเหมือนไ่เรารู้สึกว่าตัวเองไม่มีอนุภาพสาธุ ขออานุภาพแห่งคุณพระศิงรัตนไตรยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงค์ข้าเจ้าจงมาปกป้องคุ้มครองคนนั้นคนนี้จงมาปัดเป่าเสนียจจนไรจงมาต่ออายุข้อพระเจ้าอะไรแล้วแต่เขาจะว่าไปเพราะตัวเองไม่มีอานุภาพไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยดังนั้นตอนนี้เริ่มทําความศักดิ์สิทธิ์ให้ตัวเอง ส, สิ่งใดจะศักดิ์สิทธิ์สํำเร็จได้ด้วยการกลับคืนมาเป็นราบและสักการะ ต้องรู้จักให้และแบ่งปันอยากเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอยากเป็นเรียกหาแต่ศักดิ์ศรีเพราะต้องสร้างศักดิ์ศรีด้วยความสามารถของตัวเองก่อนบุคคลใดมีศีลบุคคลนั้นชื่อว่ามีศักดิ์ศรีทุกทุกสังคมที่ไปกายดีวาจาดีตั้งใจดี เขาไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ใครเห็นนะแต่ตั้งใจจะรักษาความดีของตัวเองเอาไว้ผู้นั้นจะได้รับการยอมรับยกย่องให้เกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมนั้นๆผู้ใดมันฝึกปลือมันสมองอบรมจิตตภาวนารู้ทันเหตุทันการรู้ตามความเป็นจริงแจ่มแจ้งไปไหนเมื่อไหนเขาก็จะยกย่องให้คนนั้นเป็นหัวหน้าหัวตาเป็นปัญญาชน ปรึกษาหารหรือเป็นที่ปรึกษาในทุกๆุนทุกแห่งเป็นผู้ชำนาญการด้านนั้นๆหรือหลายๆด้านอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์ไหมศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพไหมมีได้มาจากไหนอ๋อความสามารถเราเองความสามารถเราเองพระพุทธเจ้านะไม่ใช่ความสามารถธรรมดานะยมรู้ไหมว่าสิ่งที่จะดลบันดาลให้ในโลกเนี้ย มีอะไรบันดาลให้ได้บ้างถ้าไม่เอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมยมเคยตีความหมายของคำนี้ออกไหมกรรมบันดาลอา้าวถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่บันดาลเอากรรมบันดาลได้ไหมคนทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็บันดาลให้ไปตกอบา ย, ยภูมิคนทำกรรมดีกรรมดีก็ บุบันดาลให้ไปสุขติโลกสวรรค์ยิ่งดีกว่านั้นก็ให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเอนอีกแสดงว่ากรรมบันดานลนะเนี่ยว่าไปแล้วกรรมบันดาลใครทํากรรมใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเราเป็นทายาทของกรรมเราเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายของกรรมเรามีกรรมเป็นเงาตามตัว เงาตามตัวมีแสงจึงเห็นเงาไม่มีแสงเงาหายแต่กรรมมีแสงหรือไม่มีแสงมันไม่เคยหายนะตามทุกขนทุกแห่งแต่กรรมที่มีองคภาพยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ก็ยังมีอุตสาหมีบางคนในโลกนี้หลุดพ้นจากมือของกรรมไปได้ หลุดพ้นจากวงเวียนของกรรมหลุดพ้นจากเส้นทางของกรรมหลุดพ้นจากความควบคุมของกรรมเป็นบุคคลที่แม้กรรมยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ก็ไม่สามารถจะดนบันดาลบุคคลเช่นนี้ให้ตกอยู่ในห่วงของกรรมได้ใครหนอยอมตอบได้ไหมใครรอดพ้นจากกรรมบันดาลได้ ไม่มีใช่ไหมมันน่าจะไม่มีนะครับกรรมบันดาลให้สัตว์ทั้งหลายถ้างนั้นผู้เจ้าจะแสดงพาสิท์ไว้ทำไมว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมเออแสดงว่ากรรมบันดาลจริงๆนะออาแล้วทีนี้ขยายหนี่ยนะคำว่าสัตว์โลกเนี่ยหมายถึงผู้ยังติดอยู่ในโลกสัตว์แปลว่าผู้ยังคล้องเกี่ยวได้อานาจของความชอบความชัง หรือความหลงที่เป็นของโลกโลกอยู่ใครมีความชอบเห็นสาวสวยชอบเห็นเสื้อสวยชอบเห็นนั้นงามชอบเห็นเสียงนี้เพราะชอบเห็นกลิน่นได้กลิ่นหอมชอบได้ชิมอร่อยชอบได้เย็นได้อุ่นพอดีพอดีชอบชอบอยู่ในใจผู้ใดให้เรียกผู้นั้นว่าเป็นไปตามกรรมเพราะพระพุทธเจ้าเรียกคนนั้นว่าสัตว์โลกเพราะ อยู่กับความชอบและความชังซึ่งเป็นปกติของโลกนั่นเองใครเดี๋ยวจะจัดลำดับให้ดูนะหนึ่งปุถุชนสองพระอังกฤษยบุคคลปุถุชนเนี่ยก็เป็นสองอย่างอังกฤษยบุคคลก็เป็นสองอย่างนะปุถุชนใด เป็นไปตามกระแสะโลกมีสิ่งยั่วยุให้ชอบก็ชอบมีสิ่งยั่วยุให้ชังก็ชังมีสิ่งยั่วยวนให้หลงก็หลงผู้นี้แหละจะถูกกรรมบันดาลชอบมากก็จะผิดหวังมากชังมากก็จะมีคู่เวรมากหลงมากก็จะสูญเสียมาก นี่เป็นไปตามกรรมนะกรรมบันดาล น, นะแต่บางคนเป็นปู้โดยชนอยู่ก็จริงนะแต่เป็นคนที่หมั่นฝึกสติไว้อย่าให้หลงฝึกสมาธิไว้ให้ตั้งหลักทันฝึกปัญญาเอาไว้ให้พิจารณาใคร้ครวนดูเหตุดูผลว่ามันเหมาะควรหรือยังที่จะพูดที่จะทําที่จะคิดอย่างนี้เนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้คนนี้จะเป็นสัตว์โลกก็จริง แต่เป็นสัตว์โลกที่ดีกว่าเมื่อกี้ขึ้นมาหน่อยแล้วเป็นบุคคลผู้เลิอเป็นบุคคลผู้ประเสริฐสามารถยับยั้งไม่ให้หลงชอบไม่ให้หลงชังไม่ให้หลงพเพลิดเพลินไปตามสิ่งยั่วยวนต่างๆเป็นไปตามกรรมแต่เพียงเล็กน้อยนอกนั้นเป็นคนฝืนกระแสของกรรมนี่คือปุถุชนส่วนพระอริยเจ้าเล่า กรรมร้อยเปอร์เซนถูกตัดทอนบั่นทอนเอาทีลนิดธีรนิดเขาเรียกว่าถ้าเป็นของหนาๆก็ค่อยๆถากให้บางเหลาให้บางถากให้บางขูดให้บางไอ้ที่เต็มหนาๆอยู่ถ้าเป็นโลบส่วนหนึ่งเป็นโกรธส่วนหนึ่งเป็นหลงส่วนหนึ่งเขาก็ถากโลบออกสักหน่อยถากโกรธออกสักหน่อยถากหลงออกสักหน่อย ให้มันบางลงไม่ให้หนาเหมือนเดิมเดี๋ยวเขาจะว่างเราคนกิเลสหนาเราก็มาฝึกถากกิเลสของเราสักหน่อยโลภมันหนาแล้วก็ถากโลภโกรธมันหนาแล้วก็ถากโกรธเอาทุกอย่างนะทีมอทั้งรับทั้งฝนทั้งถากทั้งเหลา ท, ทั้งขูดทั้งเคาะทั้งทุกสารพัดจนกว่ามันจะบางอะ่ะ เมื่อเราทำขุดให้บางลงแล้วสามารถละความโลภไปตามลำดับโลภมากมากหยาบหยาบลบละได้ก่อนโลภละเอียดประนีตฝังอยู่ในส่วนลึกของจิตใจซ่อนอยู่ก็ละมันได้ขุดคุยขุดมันจนบางจนเห็นไอ้ซ่อนอยู่ลึกๆ ก, ก็เห็นขุดไปขุดไปเห็นชั้นไหนขุดทิ้งเห็นชั้นไหนขขุดจนไม่มีความโลภปรากฏ เขาก็เรียกว่าผู้ปราศจากความโลภเป็นผู้ประเสริฐในโลกผู้ประเสริฐในโลกของเรียกว่าพระอริยเจ้าพระอริยบุคคลหมดความโลภไปแล้วสูงกว่านั้นก็นำมหน่อยก็หมดความโกรธอีกสูงกว่านั้นหน่อยก็หมดความรุ่มความหลงอีกเหลือแต่ปัญญาโดยส่วนเดียวแจ่มแจ้งกาใดที่จะเป็นผลของความโลภ จึงไม่สามารถจะมาบันดาลบุคคลผู้นี้ได้อีกกรำใดที่เป็นส่วนผลของความโกรธก็ไม่สามารถจะมาควบคุมบุคคลนี้เอกเพราะว่าเหตุคือความโลภความโกรธในจิตของผู้นี้ไม่มีแล้วขูดทิ้งหมดแล้วสะ ล, วละหมดแล้วละหมดแล้ววางหมดแล้วประหารหมดแล้วทำลายไม่เหลือเลยถ้าเปรียบเหมือนกับถอนต้นตาล เขากลเรียกว่าถอนรากถอนโคนไม่ใช่ถอนธรรมดานะไม่ใช่ตัดทลายจานต้นตาลออกไปกินหรือตัดยอดตัดทุกอย่างค่อยตัดถอนออกมาตอนตอนเป็นตาลยอดด้วนนั่ไม่ใช่นะแม้แต่ยอดด้วนก็ไม่มีแม้แต่ตอก็ไม่มีแลกรากก็ไม่มีถอนหมดทุกอย่างอย่างนี้ จึงเป็นบุคคลที่หลุดพ้นจากกรรมบันดาลไปได้กรรมใดที่จะทำให้เกิดอีกกรรมนั้นก็ไม่มีกรรมใดกรรมใดที่จะทำให้ลุ่มหลงด้วยความชอบความชังกรรมนั้นก็ไม่ได้มีเมื่อเหตุไม่มีผลมันก็จะมีจากที่ไหนไม่มีบุคคลนั้นจึงเรียกว่าผู้ผลโลกผู้ผลโลก ผู้ผ้นโลกก็คือผู้ที่กำบันดาลไม่ได้อีกแล้วนั่นเองอยู่นี่ใครคิดว่าต่อไปจะเป็นผู้ที่จิตใจเข้มแข็งไม่ยอมให้กรรมที่เป็นความโลภความโกรธความหลงมาบันดาลเราได้อีกใครตั้งใจไว้อย่างนี้บ้างลองยกมือหน่อยสิมีเหมือนกันนะเนี่ยครึ่งๆึ่งกลางๆครึ่งึกลางกา ไอ้จริงไม่จริงเอาไม่เอาแน่ไม่แน่แนจะนิดเดียวก็ถือว่าเริ่มละเริ่มประกายละเขาเรียกว่าเริ่มแข็งข้อต่อกิเลสในภายในตัวเองละอย่าลืมนะแข็งข้อเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไปได้อย่างราบรื่นนะกิเลสมันเป็นใหญ่อยู่ในใจเรามานานกว่างเราอีกนะ กิเลสเนี่ยมันผนึกกำลังหนาไม่ใช่หนาธรรมดานะทั้งแข็งไม่ใช่แข็งธรรมดาทั้งกระด้างไม่ใช่ั้งกระด้างทั้งหยาบชาตินูนนูน้ น, น, น, นมันก็มีกรรมนี้ไว้หน่อยหนึ่งแล้วชาติต่อมาก็สังสมเติมไว้พอกพูนไว้หนาเตอะโอ้ยโหยเลยจะมาขูดให้เสร็จภายในชาติเดียวไม่แน่จริงขูดไม่ออกนะจะเข้าสู้สู้ถอยถอ ย, ถอยไม่ได้นะ เดี๋ยวผลึกกำลังฮึดขึ้นมาเดี๋ยวหมดแรงอ่อนลงไปยอมแพ้มันไม่ดได้ทีนี้ดูพระบุตรเจ้าของเราสิพระบุตรเจ้าของเราชาติเดียวได้เลยไหมได้ไหมไม่ได้โอ้เสียสงไขแสนมหากับอย่ามานับโดยจำนวนชาติว่ากี่ชาตินับชาติไม่ทวนแต่ว่าไม่จำเป็นต้องนับ ถ้าใครคนหนึ่งเวลานี้ขนาดพระพุทธเจ้าก็บำเพ็ญมาตั้งสี่สงไข่แสนมากับแล้วเราจะทำได้เหรือใครยังไม่เข้าสู่กระแสการบําเพ็ญบารมีคิดอย่างนี้ทั้งนั้นไม่ผิดเลยคิดอย่างนี้ใครก็คิดเป็นเพราะธรรมดาใครคิดถ้ายิ่งกว่านี้สิถึงจะไม่ธรรมดานั้นคิดอย่างนี้ใครๆเขาก็คิดทั้งนั้นจะทาได้หรอโอ้ยคงไม่ไหวมั้งอะไรต่างเนี่ยคิดได้ แต่ว่าถ้าลองทําดูเริ่มต้นสักนิดสักหน่อยให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างตั้งสติดีๆบ้างทําสมาธิให้ตั้งตั้งมั่นบ้างจเจริญอบรมจิตภาวนาให้จิตใจมีปัญญารู้จริงบ้างมันก็จะเป็นความพอกคูณแห่งกรรมดีกรรมที่ไม่ดีที่เคยหนามันก็จะถูกกรรมที่ดีๆีขูด กระทาะเคาะล่อนหลุดไปทีละหน่อยทีละหน่อยความขี้ตนีทีเหนียวคิดอยากจะแบ่งอยากจะปัน่นความขี้เหนียวมันก็หลุดล่อนหายไปได้แต่มันกลับมาได้อีกถ้ายังไม่ชนะจริงๆเหมือนพระพุทธเจ้าชนะเนี่ยโลกียะปุถุชนชนะแล้วแพ้ได้ บุคคลที่ชนะแล้วแพ้ไม่ได้อีกเลยต้องเป็นพระอังกฤษบุคคลซึ่งมีชัยชนะเป็นลำดับลำดับตั้งแต่ต่ำขึ้นไปถึงสูงอย่างพระโสดาบันชนะกิเลสใดแล้วไม่แพ้ต่อกิเลสนั้นอีกแต่กิเลสที่ยังไม่ชนะยังมีอีกเหมือนพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรตีหัวเมืองได้แล้วหัวเมืองนั้นอยู่ตายอนานาจการปกครองแต่เมืองใหญ่ยังตีไม่แตก ต้องยกทับต่อไปอีกยกทับคืนไม่ได้ยกทับคืนมเมื่อไหร่หัวเมืองที่ตีแต่เมื่อกี้แข็งข้อขึ้นมาใหม่อีกดังนั้นต้องตีไปตีไปตีไปจนจะยึดเมืองหลวงหลักครองได้ถึงจะไม่กลับมาแพ้อีกเนี่ยพระอริยะเจ้าท่านหลายท่านก็เป็นอย่างนั้นชนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปตามลําดับจนถึงพระอังครหันบุคคล จึงจะชนะกิเลส ท, ทั้งหมดชนะแล้วไม่กลับมาแพ้อีกเลยกิเลสให้เกิดอีกก็เกิดอีกไม่ได้ไม่มีอันไหนอันไหนที่จะมาบันดาลให้ได้อีกมีคนอาจจะคิดอยู่ในใจรู้อ่านพุทธบวติมามากจริงหรือท่านอาจารย์พระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วถึงวันใกล้ๆจะปรินิพานแล้วเนี่ยขณะพระเจ้ากระหายอยากจะดื่มน้าน้ายังขุนเลย แล้วผู้เจ้าก็บอกว่าเนี่เป็นกรรมเก่าอืน้อนี่แสดงว่ากรรมยังบรรดาลได้อยู่นะนี่ไงถึงบอกว่ามารของพระบุญเจ้ามีห้ามารเนี่ยหนึ่งเทวปุตตมารชนะได้ในวันตรัสรู้นั่นเลยณนะคนต้นพระศรีมหาโพนั่นสองกิเลสมารก็ชนะได้ที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพนั่นทันที สอภิสังขารกระมานก็เหมือนกันชนะได้ในณบัดนั้นสขันธมานชนะได้เมื่อวันปรินิพานมาถึงไม่กลับมามีขันต่อไปอีกจึงเรียกว่าดับขันธปรนกริณิพานไงขันธมานชนะวันปันกริณิพานมัจจุมานที่หก็ชนะวันปรินิพานเมื่อปรินิพานแล้วจะไม่เกิดมาตายได้อีก ไม่มีเกิดไม่มีตายอีกต่อไปชนะพญามั จ, จุราชได้ดังนั้นเมื่อพระบุตรเจ้าบรรลุเป็นพระอังครหันแล้วจึงชื่อว่าเป็นผู้มีชัยชนะในโลกชนะแล้วไม่กลับแพ้อีกนั่นเองเอาละวันนี้การฟังธรรมน้อมนำความศรัทธาตั้งมั่นในพระรตนไตรยัยฟังแต่ต้นจนจบ บทสรุปอยู่ตรงไหนไม่รู้จับประเด็นอะไรได้บ้างจะ น, น้อยวันนี้ให้มาให้จับประเด็นให้ได้ว่าคำว่าพุทธชยันตีแปลว่าวันครบรอบวันตรัสสังรู้ของพระบุตธเจ้าเป็นปีที่ 2,600 เขาจึงเรียกว่าพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสสังรู้ของพระบุตธเจ้าในขณะที่พวกเราฟังธรรมอยู่ในนี้อาตมาก็ได้ถ่ายทอดเสียง ไปออกสถานีวิทยุสพวทที่อุดรอธอานีทยอยโยมสี่จังหวัดทางอีสานเหนือได้รับฟังไปด้วยแล้วก็ที่ทางอีสานเหนือเขาเจอกันเขาทักทายกันว่าสวัสดีพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าคนกรุงเทพไม่รู้พูดเป็นไหมลองพูดดูหน่อยก็ดีนะ สวัสดีพุทธช ย, ยันตีสองพันหกร้อยปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอย่าลืมข่าคับเลยนะเดินออกไปนี่เจอใครกันช่างสวัสดีพุทธช ย, ยันตีค่าอาัธยังสวนกันเร็วๆถ้าพอมีเวลาคุยกันบ้างยืนพบปะพูดคุยได้บ้างกา็สวัสดีพุทธช ย, ยันตีสองพันหกร้อยปีแห่งการตรัสรู้ของพระเจ้าขืาอพูดอะไรอ่ะ เราก็จะได้ทวงคืนเ อ, อะไรยังไม่รู้อีกเลยโอ้โหเขาฮิตกันนักประเทศเลยคาพูดเนี้ย <c oughs> ยังไม่รู้อีกเลยอะไรนะต่ามวันเนี้นะเนื่วันนี้การแสดงคำในหัวข้อว่าแม้แต่กรรมก็บันดาลไม่ได้ซึ่งหมายเอาพระอังคารหันตสำมาสัมำวยเจ้าเท่านั้นที่กรรมไม่สามารถจะบันดาลได้ดังนั้นขอให้เราทั้งหลายจงตั้งใจมุ่งมัน่นหมั่นทําความดี จะได้เป็นผู้มีอัธยาสัยน้อมนำไปสู่มรรคผลและนิพพานไม่ยอมให้กรรมมันบันดาลต่อไปอีกเลยพวกเราก็จะได้ถึงความ ส, บสงบคือพระนิพพานด้วยกันทุกโทษทุกท่านการบรรยายก็จบลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้